นสกการ์ศิลาลงตาวันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าตัวตัวเบาอะค่ะแล้วก็จิต ก, ก็ว่างๆไม่ไม่มีอะไรแต่ว่ามันเหมือนจะมีปิติเล็กๆทั้งวันนะคะคือรู้สึกบางทีก็เหมือนรู้สึกเหมือนขนลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะคะแค่รู้ว่ามันขนลุกอะไร ก็ทําตามหน้าที่ที่ที่เราต้องทําอ่ะมันก็ทําไปทั้งวันรู้สึกมันมันมันแบบอยู่แบบว่าไม่มีที่จะฟุ้งไปไหนเลยค่ะวันเนี้ยอยู่อยู่ตามที่แบบมันเหมือนเราไม่ต้องมาขอคือว่างๆสบายๆอยเงี้ยค่ะตามไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้าเราคิดจะทําอะไรมันก็ทําตามนั้นไปเลยอะค่ะ ไม่ไม่มีกังวลไม่มีไม่ต้องมาสังเกตไม่ได้สังเกตอะไรเลยก็อยู่แบบว่างๆอย่างเนี้ยค่ะไม่ทราบวันนี้ถูกหรือเปล่าคะคือมันเอาตัวเราไปอยู่กับความรู้สึกว่างแต่มันยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับความรู้สึกว่างยังไม่มาถึงขั้นที่ปล่อยวางที่พยายามพูดกันเนี่ยว่าค่ะสังขารกายก็กายสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นของตาย เป็นของไม่เที่ยงต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน้ำเปิดผูพางไปพอใจมันว่างแล้วไม่พุงซ่านแล้วต้องนำมาโน้อมพิจารณาว่าสังขารกายไม่เที่ยงสังขารกายไม่เที่ยงสังขารกายไม่เที่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารกายแล้วก็เห็นว่าเนี่ยที่ตายไม่เห็นก็คือว่า ตัวเราสบายใจเราสบายใจเราสบายความคิดความรู้สึกว่าใจเราสบายใจเราว่างใจเราสบายใจเราว่างเนี่ยความคิดความรู้สึกว่าใจเราสบายใจเราว่างเนี่ยมันเป็นจิตสังขารที่เป็น <une S 1> <Inner. S 2> ของตายมันเป็นกายจิตที่เป็นของไม่เที่ยงนั้นแต่ลองคิดพี่นลายดีๆเลยว่าเวลาเรานอนหลับเนี่ยนอนหลับสนิทน ะ, ะความรู้สึกว่า แม่วันนี้เราสบายเราว่างขนลุกปิติซรซาซาบซาบเนี่ยไอ้ความคิดความรู้สึกอย่างนี้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีแสดงว่าตายไปอยู่กับของตายโอเคเราต้องหมั่นสังเกตตรงนี้บ่อยๆนะเออไอ้ความคิดความรูซซซซ Somehow, ้สึกว่าเรามีป okay. ิติอ okay. okay. ่อนคลอลินลินทั้งวันใจเราว่างทั้งวันเราต้องมานึกพี่นายดีๆเนี่ยน้องพี่ชายดีๆว่าตอนเราตายเนี่ยความคิดความรู้สึกอย่างนี้มันมีไหม <Elsa> มันไม่มีมันดับหมดแสดงว่าเราไปอยู่กับของตาย<ะ>คือเราเอาตัวเราเนี่ยหลงเอาตัวเราไปอยู่กับความรู้สึกปีติความรู้สึกปโปร่งโลก่งสบายความรู้สึกว่างเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่เห็นว่าเนี่ยไอ้ความรู้สึกก็เป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราปีติตัวเราสบายทั้งวันตัวเรารู้สึกปลอยโปร่งทั้งวัน<โ>อันเนี้ยมันเป็นตัวปรงแต่ง<โ>มันเป็นตัวสังขารเราตายไล่ความรู้สึกว่าเป็นเราปลอดโปร่งเราสบายเราว่างทั้งวันเลย แต่จริงไอต้ตัวเนี้ยตัวหลงเราเห็นว่ามันตัวตัวตายมันเป็นของเกิดจับเป็นของตายเพราะเราหลับสนิทในความรู้สึกว่าเราสบายเราปลอดโปร่งทั้งวันเราสบายเราปลอดโปร่งทั้งวันเรามีปิติลินทั้งวันไอ้ตัวนี้เป็นของตายเราต้องเห็นตัวเนี้ยแล้วเราก็วางมันไป <then. S 2> ไม่ใช่ว่าเราไปวางอารมณ์ผิดไม่ใช่เข้าใจผิดไปวางอารมณ์ปิตินะ <alors. S 2> พยายามไปวางอารมณ์ปิติวางอารมณ์ใจสบายนะไม่ใช่ <thì. S 2> วางความคิดความรู้สึกว่าเราสบายเราสบายเราสบาย เราว่าเรามีปีติทั้งวันความคิดความรู้สึกว่าเราเราเราเนี่ยให้เห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นจิตสังขารเป็นของปรุงแต่งมันเป็นของเกิดดับเราหลับแล้วมันก็ดับหายไปหมดมันไม่มีความคิดความรู้สึกอย่างนี้ได้หรอกเราอย่าไปอยู่อย่าไปเอาไอ้ตัวเนี้ยไปตัวเราไปตัวตนเราจริงจริงอย่าไปฝากฝีฝากไข่มันจริงๆมันเป็นของตายอย่าไปอยู่กับของเกิดดับของตายเราจะต้องไปเกิดดับไปไปอีกนานตัการอย่างเนี้ยเราตายแล้วเขาก็มาหาตัวตนเราเจอเพราะว่าเราเอาตัวเราไปฝากไปยึดไว้กับอ ให้อของตายของที่มันแตกดับได้เราไม่ได้ปล่อยวางของที่มันมันเกิดดับของดิมันไม่เทีย่ยง <ขอ S 2> แต่เราไปเอาตัวนั้นไปตัวเร า, ป เ, ราเป็นตัวตนของเราเข้าใจไหมเข้าใจไอ้ตรงนี้เราพยายามพูดยังไงเก๋มันไม่เข้าใจมันมันจะไปอเอาตัวเราเนี่ยไปมันเป็นเป็นสิ่งที่ตายพูดเนี่ยแต่เก๋เนี่ยเป็นสิ่งที่ไฝฝันมากเลยแล้วไฟฝันที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับที่ที่ตายพูดคือความ ที่มันมีปิติลิลินต้งวานใจมันว่างโป่งโล่งเบาสบายเก๋เนี่ยไฝ่ฝันตรงนี้มากเลยนะยังไม่ถึงขั้นนี้เลยยังไปฝันตรงที่ตายพูดเนี่ยแต่พอตายแล้วเป็นตรงเงี้ยเรายังบอกว่าไม่ใช่ไห้ไม่ใช่เลยปล่อยวางความรู้สึกว่าเราสบายเราสบายไม่ใช่ว่าเขาใจผิดไปไปปล่อยวางปิติปล่อยวางความสบายแต่ไปวางความคิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายเราสบายเราว่างเพราะ ไห้เห็นว่าความคิดความรู้สึกว่าเราสบายแล้วว่างเนี่ยตอนเรานอนหลับสนิทเนี่ยมันคิดุงแต่งว่าเรารู้สึกเราสบายเรามันคิดไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นของเกิดดับของตายเราเนี่ยไปฝากผีฝากไข่กับมันไม่ได้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตัของเราวางมันไปเสียหหมดมันคิดมารู้สึกอย่างนี้มาก็วางมันไปมันคิดมารู้สึกอย่างนี้ก็เห็นว่ามันเป็นของตายเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันปล่อยวางมันไปคขนาดตายเนี่ยเลยเลยมัน เลยมาถึงขั้นหนึ่งเลยใจเก๋มาแต่เก๋เนี่ยโหยหามากเลยตรงเนี้ยโหยหาเลยในเก๋เนี่ยต้องใช้คาว่าโหยหาโหยหาที่มีปิติดินลินว่างว่าสบายใจทั้งวันโหยหาและลังเกียจอาการที่ตรงกันข้ามพอใจมันมันไม่โปร่ไม่โล่งไม่เบาไม่สบายร่างกายที่มันแน่นอึดอัดมันเป็นแน่นเจ็บนั่นปวดนี่มันไม่สบายไอเก๋เนี่ยโวยวายเลยข้างในอะโวยวายโวยวายแทบจะชักติ้นชักงอ รังเกียจมากๆแล้วก็โหยหาจะคําว่าโหยหาเลยยิ่งโหยหามากก็จะรังเกียจอาการตรงข้ามมากโหยหาใจที่มันโปร่งโล่งเบาสบายผมเห็นแล้วค่ะจ๊ะเราอ่านขาดเลยเก๋เนี่ยแต่มันไ ม, <laughs> ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรามายี่สิบปีได้แล้วเนาะ <laughs> คนดื้อหลัน <laughs> อ, อะไรเราเราพูดยังไงเกมันก็จะไปชื่นชมเลยคนที่ก็มีอาการอย่างที่ตายว่าที่ตายพูดเนี่ย จะเปนชื่นชมแต่คนเขาอย่างนั้นพูดอะไรก็จะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วอย่างอย่างของพี่ตายเนี่ยมันมีโทษยังไงฮะถ้าเกิดคือคือคือหลงตะหรือว่ามันยังไงคระมันมันคือคือบางทีมันมันไม่เห็นโทษนะครับตายก็จะเห็นโทษเนี่ยเพราะพูดอย่างเงี้ก็จะเห็นโทษเนี่ยว่าความจริงเขาไม่ได้ทนทุกข์จริงเขาก็ที่สุดแล้วเดี๋ยว ก, ก็จมอยู่กับความทุกข์มันคือสบายมาหลอกไว้กับความทุกข์คล้ายๆกับว่ามีอะไรมาขี้ไว้มี มาขี้ไว้หมาแมวมาขี้ไว้หรือเด็กเด็กอะไมาขี้ไว้ไว้เนี่ย uh huh. ความทุกข์เตรียมไว้เป็นความทุกข์แต่เราไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาด mm hmm. ไปเอาอะไรมาปกปิด่เอาความสบายใจมาปกปิดไว้คือเอาเหมือนกับแผ่นผ้าเอาเป็นผ้าเป็นอะไรมาปิดไว้ให้มองไม่เห็นแต่เจใจของจะตัวลึกๆรู้ว่าใต้ความรู้สึกสบายเนี่ยมันมีความมีความที่กลัวทุกข์อยู่ลังเกียจทุกข์กลัวทุกข์อยู่ เนี่ยความจริงเนี่ยมันมีทุกแอบแฝงออืรังเกียจทุกกลัวทุกแต่จริงอ่ะเอาความรู้สึกสบายมากบไว้คือเอาไอ้ผาพลาสติกอะไมากกไอ้ไอ้ขี้มะขี้แมวขี้เด็กขี่อะไรที่มาขี้ไว้ในบ้านแล้วก็แต่ขยะไม่อยากล้างไ ม, ามาไม่อยากไปจับไม่อยากไปมองไม่อยากล้างขยะปิดเลยเอาไอ้ผาพลาสติ ก, กมาปิดไว้แต่ปิดเอาไวก้ก็ตัวเองก็เจ้าตัวเองก็รู้ตัวเองดีไม่ต้องมีใครรู้ตัวเองมองมา ใครมาแขกมาบ้านก็นมองไม่เห็นความสปกปรกใต้ใต้ผมนั้นแต่ตัวเองก็ขยงไม่อยากไปล้างแต่ผมมัปิดไว้แต่แขกไปมาก็ไม่รู้น้วว่าเราใจสบายแขกมาบ้านโอ้เจ้าของบ้านใจสบายเดินยิ้มเผยยิ้มไปยิ้มมาเจ้าของบ้านเดินยิ้มเผยยิ้มไปยิ้มมาแต่ใต้ผมนั้นเน่ะที่ปกปิดไว้คือความทุกข mm ์ hmm. คือความกังวลใจคือความที่รู้เจ้าตัวก็รู้ดีว่าผมนี่มันปิดความทุกข์เอาไว้ แล้วใครไปได้บะมองเห็นแต่ใจสบายแต่จริงๆผมทุกไว้เวลาเราจี้ไปร้องไห้เหมือนเล่าพวกนี้ย <c oughs> เราว่ายิ้มแต่ใบหน้าใจไม่ยิ้มมีความทุกข์แอบแฝงในใจพอเราจี้ไปร้องไห้ร้องหผมร้องไห้แต่ละคนเนี่ยเพราะอะไรเราเห็นคือเอาความสวยๆเอาความสบายใจมาปกปิดความทุกข์ใจไว้ความไม่สบายใจไว้แล้วก็หนีหนีความทุกข์ใจ นี่อาการของใจที่ไม่สบายใจหนีอะไรก็ตามที่มันเป็นปรากฏการณ์ในใจปรากฏการณ์ทางโลกไม่อยากกระทบอะไรไม่อยากจะไปสัมผัสอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็อาการอะไรในสบายใจไม่อยากรับรู้รับทราบสิ่งใดที่ภายนอกที่มากระทบไม่อยากรับรู้รับทราบอะไรเรื่องที่ทําให้ในใจที่ไม่สบายใจไม่อยากรับรู้รับทราบสบายใจอย่างเดียวสบายใจที่ฉันสบายใจ ไม่มีกงินใช้ก็สบายใจอะไรก็สบายใจท่นสบายใจอย่างเดียวแต่ความสบายใจมันกบอยู่บนความไม่สบายใจแมนจริงจริงแล้วพวกเนี้ยตายไปเลยอะเกิดมาเป็นเด็กพิเศษหมดเลยโอ้ต้องรีบว <c oughs> ่เป็นเด็กพิเศษคือเพราะว่า พอเกิดมาเด็กมันก็เป็นเด็กพิเศษคือเกิดมามันแล้วก็อยู่กับใจที่สบายแล้วเด็กคนเนี้เป็นเด็กพิเศษหมดเลยเกิดมาเลยหลายคนมาดอย่างนี้หมดเลย <c oughs> คือกลายเป็นเป็นเด็กพิเศษสบายเกิดมาเด็กนี้สบายใจสบายใจรู้จักใจที่สบายตั้งแต่เด็กแล้วพวกนี้เกิดมาพรุบรู้จักใจที่สบายตั้งแต่เด็กเลยและรังเกียจอาการที่เป็นทุกข์รงัรงเกียจอาการใจที่เป็นทุกข์ที่ไม่สบายใจเป็นทำเป็นมาตั้งแต่เด็กเลย พวกเด็กพิเศษลองไปลองสอบทานกันไปดิทุกคนเลยเป็นอย่างนี้หมดเลยคือรู้จักอาการของใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ระเกียรอาการของใจที่ไม่สบายชอบแต่ใจที่สบายใจเราตัวนี้เป็นเด็กพิเศษหมดเลยเพื่ออะไรคือมันไม่ยอมรับรู้โลกตามความเป็นจริงในการเรียนรู้ไงเออมันก็จะไปสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเดียวแต่สิ่งใดที่ตัวไม่ชอบ ไม่เอาเลยฉันไม่เอาฉันไม่แตะใครฉันไม่ไปวุ่นอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจคนพวกนี้มีโรคส่วนตัวละเอียดมากเลย <c oughs> เป็นโรคส่วนตัวที่ลึกและละเอียดมนุษยสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าใครมาทําให้ความสบายใจแตกนะก้าว้าวหน้าดูเลยใครมาทําให้ความสบายใจแตกของพวกนี้ก้าว้าวต้องกินยาเลยพุทธเจ้าท่านต้องกินยาควบคุมเลยการหลังสารเคมีสมองเลยเพราะว่ามันปรี๊ดเลย มัประยิตกับไอตัวเซ็นเซอร์ตัวควบคุมเสียเลยต้องกินยาคือไอตัวเซฟตี้คัตไปทํางานต้องขอยืมคำเขามาโฆษณาเลยเซฟตี้คัตตัดก่อนเนี่คือไอตัวเซฟตี้คัตตัดก่อนที่อารมณ์มันจะรุนแรงประยิระเบิดเนี่ยมันตัวตัวนี้มันเสียต้องไปหาหมอกินยามามามาควบคุมไออารมณ์แทนคือต้องเอายาเนี่ยมาช่วยทำไปในอไอเครื่องตัดคือทําให้มันง่วงๆซึมๆ ซ, ซะ ต้องกินยาพวกนี้ต้องกินยาทำให้ให้มันง ง, งวคซึมซึมเพราะว่าพวกนี้กระทบไม่ได้นะปรีเลยปลีแต่พวกนี้ยจะหลบหนีสังคมหลบหนีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วไปอยู่กับใจที่สบายเป็นมั้งแต่เด็กเนี่ยคนพวกนี้ยเป็นเด็กเขาเรียกเด็กพิเศษพอวัยกลางพอวัยกลางคนเขาเรียกอะไรนะค น, คนคนคนพิเศษคนหนุ่มคนแก่คนหนุ่มคนสาวพิเศษพอคนแก่ก็คนแก่พิเศษ คนฉลากับคฉลาดพิเศษน่ากลัวมากเลยแล้ววิธีแก้ไขนะคะอาจารย์ก็นี่ไงวิธีแก้ไขเนี่ยก็ต้องมาเห็นในนี้ว่าจริงอ่ะอย่าเอาตัวเราอยู่กับความสบายมาเห็นตัวเราที่มันความคิดความรู้สึกว่าเราสบายเราสบายเราสบายมาเห็นความคิดความรู้สึกเนี้ยว่าพอตอนเราหลับเนี่ยความคิดความรู้สึกเหล่าเนี้ยมันคิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ความคิดความรู้สึกเนี่ยมันจะดับไปหมดแสดงว่าไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นของปรุงแต่ง ทำให้เห็นความคิดความรู้สึกว่าเราสบายเราสบายเราไม่สบายเราไม่สบายเราสบายเราสบายขอให้เก๋ก็เราไม่สบายเราไม่สบายให้เห็นความคิดความรู้สึกอย่างนี้เป็นของปรุงแต่งยอย่าไปอยู่กับสิ่งปรุงแต่งเพราะเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยมเป็นของตายเหมือนเราต้องน้อมมาพิจารณาบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ <c ười> <ๆ>แล้วก็ไปเปรียบเทียบเวลาหลับมันก็ไม่มีอะไรเออพอดับแล้วก็มันกระจก็เพราะมันมันตั้งแต่ไม่ใช่ตอนนอนหลับในชีวิตประจําวันใจเราก็วางป่าไปแล้ววางฝ่าจากความไปหลงว่ามีตัวตน หลงคือไปหลงว่าเอาตัวเราไปไปเอาอะไรหรือตัวเราถดถอยหนีจากอะไรความรู้สึกว่าตัวเราไปยึดอะไรหรือตัวเราเนี่ยถดถอยหนีจากตัวเราเนี่ยหนีออกจากอะไรเอาเอาใจของเราหรือเอาตัวเราหรือเอาใจของเราเนี่ยพยายามถดถอยหนีออกจากอะไรหรือเอาตัวเราหรือเอาใจของเราไปยึดอะไรมันมีสมันมีแค่2อย่างอ่ะคือเอาความรู้สึกเป็นตัวเราคือกายเนื้อกับใครไม่ค่อยยึดกายเนื้อก็ยึดไอ้ตัวใจหรือจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวเราอะแล้วเอาไปยึดข้างนอก เอายึดนนยึดนี่แหลกลาบไปหมดเลยยึดร่างกายยึดยึดจิตใจกับพวกนึงก็คือถดถอยถดถอยถดถอยหนีจากทุกสิ่งเอามาอยู่กับความเป็นตัวตนสูงของตัวเองอ่ะเอถดถอยถดถอยมาสร้างโลกส่วนตัวก็ยอมรับรู้อะไรฉันจะไม่พูดกับใครอีกแล้วฉันจะไม่ว่าใครฉันจะปม่จําหนีอะไรฉันจะไม่เอาละเราจะไม่ว่าใครเราจะไม่จำเนีกยใครเราจะไม่โกรธเคืองใครเราจะไม่พูดกับใครเราจะอยู่ของเราอย่างเงี้ยเดสุดท้ายก็ถอยโลกเข้ามา โลกมาอยู่ก็โลกเออโลกเออก็เ ร, เรียกโลกเออพอตายแล้วก็เป็นเด็กเออเป็นผู้ใหญ่เออเป็นคนแก่เออ <c oughs> พวกนี้ยนับวันแต่จะเราจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> มากเลยเนี่ยที่มาที่มาหาเนี่ยที่มาเราเห็นเนี่ยเป็นเป็นกันเป็นแถวเป็นแนวนั้นเนี่ยถ้าชี้ตัวแล้วได้ทุกคนเลยเอ <c oughs> ชี้ตัวแล้วได้ทุกคนเดี๋ยวไปทำเป็นกันบ้านครับว่าจะไม่อยากจะชี้ตัวนั่นแหะจะชี้ตัวแล้วได้ทุกคนเลยที่าเนะี้ยแต่แกวเองตัวใครตัวมันฟังแล้วแกวเอง เราไม่แก้เราต้องเอออยู่แค่ไหนกลับ <g rab> ไปเป็นคนเออเด็กเออแล้ว<ร>ต้องรีตงบ <c oughs> ต้องพิจารณาไปบ่อยพวกที่หนี่องจริงหนีความจริงเราไปอยู่กับโลกส่วนตัวตายแล้วไปโลกเออเด็กเออเป็นคนเออไม่ใช่ว่าดีเฉพาะช่ไม่ใช่เออเฉพาะในชาตินี้แย่หนักเลย <c oughs> แล้วพวกนี้เวลาเราว่าก็ไม่ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราแล้วก็ประวัติใส่เราก็มีว่าอาจารย์เราพูดมานี่ว่าความไม่สบายความสบายใจมันไม่ดีอย่างไง ยังไม่รู้เลยเจ้าตัวขึ้นอารมณ์ของปอาจารย์เราพูดว่าในความความความสบายใจไม่ดีไงอาจารย์ถึงให้ให้ทิ้งกันไปทิ้งให้ทิ้งกินไปตว่าใ่เราก็มีบางคนเราหลายคนบางทีก็ไปไปฟ้องคนอื่นไม่กล้าเสียงเราไม่กล้าว่าเราบางทีไปฟ้องคนอื่นเขาไม่เห็นโทษแล้วก็เสียงเราใจสบายไม่ดีไงไม่เห็นมันบอกว่าเป็นอยงั้นเป็นอย่างเงี้ยก็ใจมันสบายไม่ไม่ไม่ไม่ดีไงของใจทีสบายความไม่เห็นโทษมันว่าความใจที่สบายมันไม่ดีอย่างไรหลายคนก็ไม่ ก็ค้านอย่างเนี่ยว่าใจสบายไม่ดียังไงอ่ะพูดมาทีเนี่ยตวัดใส่เราที่ก็มีล้มใส่ใจสบายไม่ดียังไงแต่มันเนี่ยมันเป็นโลกเอ๋ออะไรนี่มันเป็นโลกเอ๋อแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นโลกเอ๋อได้ยังไงก็เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยรับรู้อะไรความเป็นไปของโลกก็ไม่ค่อยรับรู้แล้วกันเนี่ยเริ่มอยู่กับโลกกำบางเริ่มทุกอย่างอนะ่ะแต่ปล่อยเหมือนกับเหมือนกับปล่อยวางแต่จริงๆไม่ได้ปล่อยวางอ่านใจตัวเองลึกๆไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางใจของตัวเอง แต่เอาใจของตัวเองไปปล่อยวางอย่างอื่นแล้วก็ถอดถอยก็มาโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วกลายเป็นโลกเออแต่จริงมันคือมันปล่อยวางร่างกายปล่อยวางจิตใจของตัวเองมายึดอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างคือปล่อยวางตัวเองแต่เนี่ยเอาตัวเองอ่ะมันยึดตัวเองไ ว, ไว้แล้วปล่อยวางอย่างอื่น <ừ. S 1> แล้วก็มาสร้างโลกส่วนตัวของตัวเองในใจตัวเองมันคนละเรื่องกันเลยฟ้ากับดินเลยเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านว่าไงค่ะแม่จีอะไนะกาบหลวงตาค่ะวันนี้ความรู้สึกว่าฟังทำแล้ว รู้ตื่นนะคะหลวงตาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เรื่องของบาตรของใต้ซื่อนะคะซึ่งก็เห็นถึงโทษภัยนะะในความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นช่วงเช้าพอดีได้เอ่อได้คุยกับท่านโ อ, ท, นโอท่านโอก็พูดเรื่องของกายเนื้อกายจิตแล้วก็ใจพุทธะนะคะแต่ว่าเอ่อไม่ละเอียดโชคดีมากเลยค่ะที่ช่วงเย็นนี้หลวงตาพูดได้ละเอียดมากแล้วก็ จริงๆตั้งใจว่าเย็นนี้มาจะขอแนวปฏิบัติได้เลยค่ะได้ได้ตรงนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นก็ก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าเอ่อในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยหลวงตาจะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมสําหรับตัวแม่ชีเองอะค่ะว่ายังติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่ามันยังสวิงอยู่หรือเปล่าค่ะบอกหมดแล้วครับในแนมมีมีอย่างนี้แนมบอกหมดแล้วในแนมวินาเข้านะสาธุค่ะกราบขอบคุณก็ต้องเออเพราะนี่แนมเพราะลองหมีนี่แนม ทำให้ต้องอธิบายละเอียดใช่ค่ะเพราะว่าแบบพอพูดถึงบาปไม่ได้เริ่มต้นเลยเราต้องอธิบายเริ่มต้นหมดเลยเบสิกหมดเลยทําให้ทุกคนนต้องใต้องมาเข้าใจหมดเลยต้องอธิบายเบสิกใหม่เลยคือพื้นฐานเลยต้องอธิบายยังไงก็าต้องเข้าใจยังไงท่านโอพูดเรื่องกายเนื้อกายจิตแล้วใจทุทธะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วพอมาช่วงสายก็เรื่องของบาทใต้สื่อใช่ไหมฮะพอพอโยมท่านถามปุ๊บเนี่ยแบบ รู้สึกรู้ตื่นแล้วก็พอโยมอธิบายซ้ำละเอียดขึ้นมากะคะก็เดี๋ยวคงต้องขอไปฟังซ้ำค่ะแล้วก็ใช้เป็นแนวปฏิบัติทำฟา์มเพียนค่ะหลงตาขับรงตาค่ะจริงๆก็ <c oughs> ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็อย่างเมื่คราวงที่แล้วก็ก็ที่หลวงตาบอกว่ารู้ลับปล่อยวางกับปัจจุบันแล้วก็รักษาใจตนไว้แล้วก็ให้ปล่อยวางใจ ตัวเองด้วยทีนี้บางครั้งมันก็มีอะไรที่มันแวบเข้ามามันก็น้อยลงนะคะต่างๆาที่มันที่แบบว่ามันเหมือนกับความกังวลเรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหายไปมันไม่ค่อยมีเข้ามามันเหมือนถ้าแวบเข้ามาแล้วก็ดูว่าพอไปยึดมันมันก็จะเห็นทุกพอเห็นแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็จะเห็นตัวตัวเราเนี่ยพยายามผลักออกไปจะไม่จะไม่ให้มันเข้ามาค่ะแต่สุดท้ามันก็วนอยู่พักหนึ่งสุดท้าก็ปล่อยไปได้ว่าเออมันก็ไม่มีอะไรแค่เฉลี่ยแล้วมันก็เบาลงไปวางไปค่ะถูกไหมคะ เนี่ยติดอะไรอยู่ค่ะอืมไอที่พูดเนี่ยเขาจดงถึงความยึดอยู่ก็อะไรที่มันเข้ามาแล้วก็ผลักมันออกไปผลักมันออกไปแล้วก็เบาเลยสแสดงว่ามันเราเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยผลักจังหลังแล้วก็ปล่อยว่าเออมันก็แค่สังขารตรงนี้ละเอียดมากเลยนะเนี่ยเราปล่อยวางเราบอกว่าเราปล่อยวางสังขารหมดสังขารกายสังขารจิตเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะเนี่ยฟังให้ดีนะเนี่ยเรานึกว่าจะไม่มีอะไรพูดอยู่แล้วเนี่ย ทีย่ยอมจิมว่าปล่อยวางสังขารกายปล่อยวางสังขารจิตก็ว่าเรามันผักมันออกไปหมดเรียบร้อยแล้วเราเบาว่างเลยเราเห็นว่าเราผักเราเห็นเนี้รู้สึกว่าเราผัดมันได้ออกหมดอืออย่างนี้ไม่เรียกว่าปล่อยวา ง, างนะเนี่ยคือเราผัดเราเห็นว่าสังขารเป็นของไม่ดีสังขารกายก็เป็นของไม่ดีสังขารจิตก็ของไม่ดีอาการที่มันไม่โป่งไม่ล่งไม่เบาไม่สบายมันแน่นมันเดือดอัดมันทําให้เราไม่สบายใจมันเป็นของไม่ด <WhatsApp. S 2> ี เราผลักมันออกเราผลักมันออกมาแล้วใจเราเลยว่างเลยโป่งโล่งพอสบายไม่ค่ะเราเห็นว่าตัวเราผักเราเห็นว่าเราพยายามจะผลักมันเออแต่ว่าตอนหลังเราก็ว่าอเราเหมือนเราเห็นว่าตัวเราออกไปผลักมันเออแต่เราก็ถือคำแล้วก็มองว่าเราไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตัวเราไปผลักมันเราก็แม่เอาแล้ว เ, เคือคืออธิบายไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าตอนที่มันพยมันมันมันยึดเนี่ยมันได้เห็นทุกข์เอ้ยมันเห็นเอ่ออารมณ์ที่มันแกว่ง แขว่งแล้วรู้สึกมันมันเหมือนไม่สบายใจเราก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบมันแล้วก็เหมือนจะผลักมันเหมือนเห็นว่าตัวเราจะผลักมันแต่เราก็เออจะไปผลักมันทําไมมันก็เป็นเรื่องของปกติมันเกิดขึ้นได้แค่นั้นนะคะไม่ได้หมายว่าคือเราเห็นตอนที่เราจะผลักมันแล้วยิ่งผักมันก็ยิ่งมายิ่งมาแล้วก็เออคืจะไปผลักมันทําไมแล้วก็ดูเฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรกับมันใจเราเรโสบายก็ไม่ถึงโลบายเราก็เห็นว่ามันก็แค่นั้นไม่มีอะไรแล้วมันก็มันก็ ก็เป็นก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่เวลพียเนี่ยว่าบางครั้งเนื้อสติมันยังไม่ค่อยต่อเนื่องมันก็เลยมีตัวเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราพยายามจะรักษาสติเราให้ต่อเนื่องมีตัวเราพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามจะรักษาสติเราให้ต่อเนื่องแล้วมีตัวเรากลับไปอยู่กับปัจจุบันอันนี้มันยังไม่เท่ากับไม่ได้ปล่อยวางอันเนี้ยไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกกับเป็นตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยเอาตัวเราพยายามจะไปปล่อยวางอย่างอื่นแล้วรักษาตัวเราไว้สุดท้ายก็ยังมีตัวเราอยู่ ก็มีตัวเราอยู่เงี like right. right. right. ้ยครับพยายามจะเราจะปล่อยวางอย่างอื่นหมดพยายามจะรักษาสติของเราไว้ให้ปล่อยวางอย่างอื่นหมดแล้วก็เราก็พยายามจะให้ตัวเราให้มีสติมารักษาตัวเราอยู่กับปัจจุบันเราอย่าไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอย่างอื่นแล้วก็เราก็ต้องพยายามที่ต้องรักษาสติไว้ให้ตัวเราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยมีสติแต่มีสติเนี่ยมันเพื่อปล่อยวางตัวเราแต่เราเนี่ยมีสติเพื่อจะรักษาตัวเราไว้ไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมเนี่ย มันมัอนยิง่งเอาตัวเราเข้าไปยึดอยู่กับสิ่งต่างๆคือยิ่งปล่อยไม่ยิ่งกลับเข้ามามันเด้งกลับเข้ามาเด้งกลับเข้ามาแล้วการมีสติเนี่ยก็เพื่อว่าจะพยายามมารักษาตัวเราไว้แต่ไม่ได้ปล่อยวางความไม่ได้เห็นว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันคือเป็นตัวสังการปร้งแต่งเวลาเราหลับไปแล้วเนี่ยไอความรู้สึกก่าเป็นตัวเราที่พยายามจะให้มีสติมารักษาตัวเราเนี่ยมันทําอย่างนี้ไม่ได้มันดับหมดมันเป็นสังการปรุงแต่งเราเวลาเราหลับสนิทแล้วความรู้สึกที่พยายามมีสติให้รักษาตัวเราไว้ มันไม่มีตัวเนี้ยมันเปของปุงแต่งเราเห็นว่าไปของปรุงแต่งไปของปรุงแต่งแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นม่ต้องมีสติก็ไม่ใช่เราก็มีสตินี่แน่แต่มีสติเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยมันมีตัวเรามีสติปัญญาเพื่อเห็นว่าเนี่ยมันยังมีตัวเราเพื่อรักษาตัวเราไว้มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยไปรักษาตัวเราไว้เอาตัวเราไปปล่อยอย่างอื่นแล้วมารักษาตัวเราไว้ยมจิ๋มยังไม่เข้าใจยังงงๆใช่ไหมเห็นแล้วเนี่ยยมจิ๋มยังงงเลยเนี่ย ไม่เข้าใจเอาแจ็ช่วยอธิบายหน่ยอยสิครับช่วยช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยสิพยายามจะรักษาสติไว้เอ า, เอาตัวสติเอาตัวเรามาอยู่กับปัจจุบันแน่ๆพยายา ม, มรักษาตัวเราไวใ้ให้ลงที่ให้อยู่ปัจจุบันโดยมีสติไว้ไม่หลงไปกับอะไรกับการเนี่ยมีสติว่าปล่อยวางตัวเรานั้นไม่เหมือนกันคือต้องเรียกว่าเป็นสับอาทิฐิเลยดีกว่าครับคือการปฏิบัติเนี่ยมันจะกลับหัวกลับหางไปเลยครับมันกลับหัวกลับหางว่าเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะละกายละใจ ก็เลยจะปฏิบัติให้มันมีสติมาเป็นหลักแล้วก็จะละกายละใจหมายถึงว่าจะปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งกายกับใจมันไม่มีมมจริงๆแล้วกายกับใจมันก็ไม่มีใช่ใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮ ะ, ฮะเพราะนั้นการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเป้าหมายมันคือมันคว้าไว้เรียบร้อยแล้วว่ากายใจไม่มีแล้วมันจะทําทุกวิธีทางเลยแม้กระทั่งฝึกสติก็ฝึกขึ้นมาให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อจะเห็น เห็นอันนี้เป็นไตลักษณ์เห็นแน่แน่เป็นไตลักษณ์เจอถึงจุดจุดหนึ่งก็เห็นเห็นว่ามันไม่มีมันเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยแต่ว่าการปฏิบัติที่มันเป็นตามที่หลวงตาบอกที่มันเป็นสมาธิถี่จริงๆเนี่ยคือเขาเข้าใจเหมือนกันว่ามันไม่มีแล้วมันก็ไม่ต้องเริ่มที่จะฝึกสติเพื่อที่จะให้เห็นอะไรเพื่อที่มันไม่มีแต่การฝึกสติเนี่ยมันมีเป้าหมายแค่ว่า เป็นตัวเช็คตัวเองณทุกวินาทีตลอดเวลาว่าเฮ้ยขณะปัจจุบันเนี้ยเรายึดอะไรอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองครับคือแค่ยึดตั้งก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางถ้าไม่ยึดก็ไม่มีอะไรต้องปล่อยวางเลยจริงๆก็เหมือนเข้าใจแบบนี้นะคะแต่เวลาพูดทำไมมันกลับไปเป็นอีกับบกลับไปกลับมาเวลาเข้าใจเนี่ยมันก็เข้าใจแบบนี้เข้าใจอย่างนี้ตลอดแต่เวลาพูด เวอธิบายหลวงตามันกลับเป็นอีกแบบว่าเออมันกลับทั่าอาจจะอธิบายไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าในความเข้าใจเนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ยครับเอพราะปกติเนี่ยอย่างผมผมก็ผิดมาตลอดที่ภาวนารจริงนะถ้าไม่เจอหลวงตาผมก็ภาวนาผิดตลอดผมก็จะภาวนาเจริญสติเพื่อรักสักายทิฏิมันมันเหมือนจะตั้งเป้าไว้ตลอดคือภาวนาเพื่อที่จะต้องถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมันเข้าไปสู่ความไม่มีตัวตนน่ะ ซึ่งมันเป็นการภาวนาเอาขันห้าเนี่ยไปนิพพานใช่ใช่ซึ่งภาวนาเพื่อที่จะยิ้วเอาขันห้าเนี่ยไปถึงจุดที่มันไปนิพพานให้ได้แต่จริงมันไม่ใช่อ่ะจริงขันห้าไม่ได้เป็นเราอ่ะใช่ใช่มันมันผิดกันไปหมดเลยอ่ะหลวงตาให้บอกว่าเหวี่ยงพยายามภาวนาแบบนักปีนเขานิพพานเงี้ยแล้วก็พยายามจะเหวี่ยงตัวเองขึ้นเขาเอาไปนิพพานเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปเงี้ย เพราะนั้นจะภาวนาเพื่อเรียลัโนนปล่อยนี่ทำโน่นทำนี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพยายามดีลิสเคลียร์ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็คือจะเพืเชื่อมตัวเองไว้กับพุท ธ, ธเพื่อให้เป็นพุท ธ, ธตลอดเวลาสมมุติว่าเป็นพุท ธ, ธแล้วเป็นพุท ธ, ธได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีตัวเองอยู่ดีอะใช่ใช่มันเหมือนเอาสังขารไปพิพากเอมอ ม, มันนิ่งหนักใช่มันนิ่หนักแต่แต่แหวนเข้าใจยำจิน๋นแต่เข้าใจอ อ่้าใจเหมือนอย่างที่ที่ที่ที่าจารย์พูดอย่างนั้นนะเข้าใจอย่างนั้นแล้วเวลาทํำก็เหมือนกับอย่างนั้นเี่าแต่ว่าที่ที่ครั้งหลังสุดที่มันรู้สึกหนักหนเนี่ยมันมีเราเห็นตัวเราเนี่ยมันแบบแบบผักอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอะไรสำับมันไอ้มันมันไปหมกหมกพักหนึ่งแล้วบอเอ้ยเราจะไปหมกมันทำไมมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวเรามันไม่ใช่เราครับแล้วมันแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวที่สังเกตตัวเนี้ย ที่บอกเอจะไปทําอะไรตัวนั้นก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวเนี้ยก็ ม, มีตัวหนึ่งที่มันจะต้องปล่อยวางไปเลยเออคือคื อ, ค, อคือมันก็จะถอยสุดถอยสุดถอยสุดมาเรื่อยๆจะสุดท้ายพอถอยสุดเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยสุดท้ายอา้าวมันไม่มีอะไรไม่มีจริงเออมีแต่รู้ไม่มีจริงชคือคือถ้าถอยสุดจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่และอันนี้ปล่อยวางมันก็จะเริ่มปล่อยวางกว้างๆก่อนนอกตัวก่อนไล่มาไล่มาไล่มาจน ตีเท้าตีเท้าตีเ้าจนกระทั่งเฮ้ยไอ้นี่จะไปยุ่งวุ่นวายอย่างนั้นทำไมจนพอตัวสุดท้ายมันจะปล่อยอีกมันก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยแค่อาการเอ้อ้ยอ่ะอ่ะนี่ก็คือยึดหมดแล้วยึดหมดแล้วแล้วถ้าเราสังเกตดีๆไอ้ตัวนี้ก็ยึดแล้วยึดแล้วก็อ่าอ่าอ่าอ่าก็เราเห็นเราเห็นตัวเรายึดก็แค่นั้นคก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรมันจะกลับไปกลับมาตรงเนี้ยคราวที่แล้วก็เข้าใจดีแล้วไม่มีแม้กระทั่งกิริยาอะไรเลยที่ที่จะไป ไปไปอะไรอ่ะเขาเพราะว่ามีกิริยาอะไรที่จะต้องไปทําอะไร ấy? ทั้งหมดก็มันยึดไปหมดแล้วแต่ถ้ามีก็ไม่ได้ผิดค <c oughs> เพราะเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติเขา <c oughs> เรามีปัจจุบันเนะ่ยเป็นตัวตัวตัวคอยคานไว้เราโชคดีปัจจุบันมันมีตลอดเวลาเลยคือคําว่าปัจจุบันเนะี่ย <c oughs> มันผิดไปแล้วไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่คก็ <c oughs> เอามาปัจจุบันใหม่ไอของเก่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรดูปัจจุบันใหม่ป่ะเออปัจจุบันเป็นไงยึดไหม เออตอนนี้อ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ปัจจุบันใหม่อก็มันมีการบ้านใหม่มาให้ดูเรื่อยๆอ่าเอออันนี้ก็ไม่ต้องไม่เอ้ยเมื่อกี้มันยังไงนะมันจะพร้อมถามเลยแล้วอ่าถ่ายแล้วก็เล่นจากปัจจุบันมันใหม่อันใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็สรุปก็คืออยู่กับปัจจุบันรู้ละปล่อยวางกับปัจจุบันแต่ว่าตัวตัวที่รู้ละปล่อยวางก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเจชัดเจนว่าโดยสภาพแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้องปล่อยวางอ่าใช่ไหมใช่อแต่ถ้าโดยสภาพแล้ว พอมีสติแล้วเห็นว่ามันยึดขึ้นมาอ่าเราติดไปแล้วหรือเปล่าอ่าม<ช>ันมันมันมีเรามันมีเร า, เาขึ้นมาแล้ว<น>อ่าก็ก็เห็นมันค่ะเพราะว่าสิ่งที่รับรู้แล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเป็นของตายใช่ก็ปล่อยออกไปครับค่ะขอบคุณค่ะก็ได้จะต้องไปดูตัวเองแต่ละคนนะฮะเพราะว่ายิ่งดูยิ่งดูก็จะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นนะ บางทีดูแล้วก็คิดไว้ชัดแล้วก็จริงๆแล้วไม่ชัดแล้วมันก็โดนจิตมันหลอกไปหลอกมาก็าเดี๋ยวให้ก็อย่างเงี้ยมันจะดีตรงที่ว่าถ้ายิ่งไปดูยิ่งไปศึกษาเนี่ยแสดงว่าไปทํากับด้านมาไปได้ทํากับด้านแล้วก็มาส่งตาใหม่กราบดมักดการทุกขค่ะหลวงตาคือตอนนี้จิตมันก็มันก็พูดอยู่ข้างในเรื่อยอ่ะแต่เราก็ดูมันเฉยๆมันก็พูดตุ๊กติ๊ตุ๊กๆิุก ต, ต, ต, ต, ต, ตอย่างพูดอยู่ค่ะ มันพูดอยู่ข้างในอ่ะจุ๊บจิ๊บจุกจุจิ๊แต่เราก็ดูเฉยๆไม่ได้ไปดับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาแล้วก็วางอยู่กับผู้รู้อยู่กับใจที่ว่างแค่นี้ค่ะครับก็ถ้าดีครับที่ผมผมเข้าใจแล้ว่าที่ยังรู้ว่ามันยังมีจุบจิบุ๊ิบอยู่คือเราเรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันจุ๊บจิ๊บุิบเนี่ยก็โอเคครับ แต่ว่าจะปล่อยวางได้แต่ความคิดผมก็คือรู้แล้วก็ก็หยุดเพื่อที่เตรียมจะไปไปรับรู้สิ่งนี้มากระทบอันใหม่มันก็จะไม่ว่างมันก็จะไม่ว่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแต่รู้รู้ว่ามียุบยิบยุบยิบโอเคครับรู้รู้แล้วก็จบครับค่ะไม่แน่ใจว่ า, าถูกไหมครับค่ะรู้แล้วก็จบกัะเราไม่ต่อประมาณนี้ครับไม่แน่ใจครับตรงนี้ดีขึ้นมากเลย จากที่เอเทียมกับที่ที่มีการปฏิบัติที่ผ่านมานี่มันยึดมาตลอดม า, มาถึงตรงนี้เรียกว่าถึงขั้นที่ละเอียดมากแล้วถึงขั้นที่ปล่อยวางมาได้ก็หมดแล้วแต่สิ่งที่จะต้องปล่อยวางเพิ่มขึ้นคือมีตัวเราเนี่ยไปอยู่กับใจที่วางต้องปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวเราไปอยู่กับใจที่ว่างตอนนี้เราไม่อยู่กับอะไรหมดแล้วเราอยู่กับใจของเรา เราอยู่กับใจของเราอยู่กับใจที่ว่างอย่างเดียวให้มีแต่ใจที่ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมัน่นแต่นี้มีตัวเราอ่ะเข้าไปอยู่ในใจที่ว่างตรงเนี้ยต้องเห็นตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะต้องไม่มีตัวเราอ่ะความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้ามาอยู่กับใจที่ว่างวิธีสังเกตก็คือเนี่ยที่โยนนองพูดว่าตอนเนี้ยไม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดเลยตอนเนี้ย อยู่กับใจที่ว่างอย่างเดียวอยู่กับใจที่ว่างอย่างเดียวลองพิจารณาดูให้ดีสิตอนหลับสนิทเนี่ยความรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ยึดถืออะไรเลยเราอยู่กับใจที่ว่างตลอดเวลาความคิดความรู้สึกอย่างเนี้ยังมีเหลือไหมจะไปพิจารณาดูรู้สึ ก, กว่ า, าใจไปพิจารณาดูเดี๋ยวนี้เลยอะว่าถ้าเราหลับสนิทแล้วความคิดความรู้สึกว่าเราไม<ด>่อยู่กับอะไรเลยใจ เราอยู่กับใจที่ว่างเราอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันก่อนคิดความรู้สึกนี้มันจะมีเหลือไหมมันไม่มีอะค่ะเออแสดงว่าตรงเนี้ยมันยังหลงปรุงแต่งอยู่คมันยังหลงปรุงแต่งอยู่ตรงเนี้ยมันยังหลงเอาความปรุงแต่งอันเนี้ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันยังมีตัวเราเนี่ยไปอยู่กับใจที่ว่างมันยังมีความรู้สึกว่าเออเราไม่อยู่กับเราไม่อยู่กับไหลแล้วจะไม่อยู่กับไรแล้วตอนนี้เราอยู่กับใจที่ว่างตลอดเลยใจที่ว่างเราใจเราอยู่กับใจที่ว่างถ้าเป็นอย่างเนี้ย มันจะกลายเป็นว่ามันมีห้องว่างแล้วมีตัวเราเข้าไปอยู่ในห้องว่างอย่างนี้มันไม่ได้ว่างจากตัวเราไม่ได้ว่างจากตัวตนของเราแต่เอาตัวเราเนี่ย like เข้าไปอยู่ในใจที่ว่างแต่ใจเขาเนี่ยว่างเขาอยู่แล้วเป็นความเป็นความว่างเปล่าโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่มีเราเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้อยู่กับอะไรเราไปอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเราไปอยู่ตัวเราเราไปอยู่กับใจที่ว่างเปล่าเลยกลายเป็นเราเนี่ยเข้าอยู่ในห้องว่างแต่แล้วห้องนั้นเน่ยมันเลยไม่ว่างใจมันเลยไม่ว่างจากตัวเรา เข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจแต่ตัว น, นี้ละเอียดมากนะเนี่ยละเอียดมากเลยแล้วมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากหลายและ ว, ว่าละเอียดมากเลยว่าให้เห็นว่าเนี่ยมันมีตัวเราไปอยู่ในใจที่ว่างต้องสังเกตใหด <S <S ้ดีความคิดความรู้สึกมันเป็นของปุงแต่งของคิดความรู้สึกมันมีเราเราเราเราไปเป็นของปรุงแต่งเราต้องไปวางความคิดความรู้สึกนี้ให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นจิตตสังขารเป็นของตายเป็นของเกิดดับ เราหลับสนิทแล้วความคิดความรู้สึกว่าเราว่างเราว่างใจของเราว่าเราว่างใจของเราว่าเราไม่อาจจะคิดใจรู้สึกอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความรู้สึกอย่างเนี้เวลาเราเราหลับสนิทมันดับหมดเลยความคิดความรู้สึกว่าเราว่างเราว่างใจของเราว่าเราว่างใจของเราว่าเราใจเราอยู่กับใจที่ว่างเปล่าตลอดเวลาไม่อยู่กับอะไรความคิดความรู้สึกอย่างเนี้ยตอนหลับสนิทไม่มีแสดงว่าเราหลงไปกับความคิดความปรุงแต่งนั้นทุกขณะปัจจุบันความคิดความรู้สึกว่าเรา เราไม่อยู่กับอะไรเลยเร า, าอยู่กับใจที่ว่างหรือความคิดความรู้สึกว่าใจของเราว่าใจเราว่างใจของเราว่าอันนี้ให้เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงมันเป็นสังขารหรือเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเป็นของเกิดดับได้เมื่อเราหลับสนิทมันก็ดับหมดมันเป็นของเกิดดับเกิดดับเป็นของตายอย่าไปอยู่กับของต า, าอยาาอย่าไปอยู่ของไปเที่ยวให้ปล่อยวามันไปปล่อยวางมันไปทุกข์กันนะแต่ตรงเนี้ละเอียดมากแล้วทำไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เห็นเลยตรงนี้อยาก อยากพิสูจน์อะไรอย